เรื <departed> the the w w ่องก่อนเวลาแห่งการเจริญระหว่างกรรมฐานเรื่องมารนรกที่เรียกกันว่าอุสุธนนรกสําหรับอุสุธนนรกในวันนี้ก็จะขอนํานรกขุมที่ห้าที่มีชื่อเรียกว่าอายคุอายุคุหานรกคําว่าอายุคุหานรก เป็นนรกที่มีบาปกรรมเนื่องจากการดิ้รายหรือว่าการดิ้รายแล้วบอกว่าจะนํามาบำเพ็ญกุศลแต่ถ้าว่าการดิ้นรายได้ผลมาแล้วไม่นํามาปฏิบัติตามนั้นนํามาไปใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นเป็นกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นถ้าตายเวปแล้วหลังจากที่ไปไประสบพบนรกขุมใหญ่ จะเป็นขุมที่เท่าไร ก, ก็ตามตามกำลังของกรรมแล้วก็ผ่านจากนรกขุมใหญ่มาตกเ อ, อนรกบริวานอีกสี่ขุมเมื่อหลังจากตกนรกบริวานสี่ขุมได้เรสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็มาตกนายมารุกิยานรกที่เรียกว่าอาย โ, โยคุยะอายโยคุลนรกเขาบอกฟังให้ดี อายคุระนรกละตนนี้เขาใช้ลอวิลาชเนื้อความตามตำบาลีได้กล่าวไว้ว่าย ม, มาลุกเย็นนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่าโยคุระนรกนรกขุมนี้ที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกลาดไปหมดไม่ว่าจะมองไปในทางไหน ก็มีแต่ก้อนเหล็กแดงคำว่าเหล็กแดงในที่นี้ไม่เก็บหมายความว่าก้อนเหล็กสีแดงเป็นก้อนเหล็กที่มีไฟเผาจนสุกลุกโชนแล้วก็มีสีแดงเพราะเหล็กสุกมีความร้อนมากบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นรวนแล้วแต่มีความหิวความกระหายทั้งสิน้นดปวยนั้นว่าสภาพของคนริไร แต่ทั้งนี้ก็ต้องหมายถึงว่าเรี่ยไรเนื่องในการทุจริตไม่ได้หมายความว่าท่านที่เรี่ยไรายมาแล้วามาทำกิจตามที่แจ้งให้เขาทราบท่านกล่าวทั้ว่าสัตว์ในโลกนี้มีความรู้สึกหิวกระหายโดยหิวเป็นปกติหิวมากข้าไม่เห็นก้อนเหล็กแดงก็ดีใจที่ก๋วเนื้อปิ้ง เีพระอาศับาปกรรมที่เข้าไปบังใจม <c oughs> ีใจที่เประเมื่อเนื้อตั้งตั้งใจอยกินท่านบอกว่าพราะอาุศลบรรดาลให้สัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นก้อนเหล็กที่เผายันแดงโชนมีสภาพเป็นอาหารโอชะจึงไี้พากวาาพะวิ่งเข้าไปยื้อแย่งเพื่อยากกินพอกลืนเข้าไปในปากจับมาทีแรกมันก็ไม่ร้อน เห็นว่าสภาพเป็นเนื้อเป็นเนื้อปิ้งหรือ เ, เนื้อเผาก็เกลืนเข้าไปกนปากแล้วก็รู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นและมันก็ไม่ร้อนน้อยมันร้อนมากร้อนเนื้อต้องทนไม่ไหวเกลืนเข้าไปคายไม่ออกแม่ท่านบอกว่าเมื่อเข้าถึงปากปากก็ไม่ เมื่อเข้าไปถึงคอคอก็ไหมเข้าไปถึงพุงพุงก็ไหมพอเข้าถึงพุงพุงไหมก็ร่างกายก็แตกรกระจายกระจายเรื่ายออกมาหมายความว่าร่างกายพังแต่ถ้าว่าความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่สวยทุกเวทนาอยู่นั่นไม่มีการตาย รวมความว่าสัตว์ในนรกนี้จะถือว่าไม่มีความรู้สึกในทุกเวทนาคือตายไม่มีเมื่อร่างกายแตกกระจายจไปแล้วก็กลับก็ไปตัวขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นใหม่มีความหิวใหม่สภาพเดิมพ่ากุศลกรรมบังไว้ไม่มีความรู้สึกว่าเหล็กทังหลายเป็นเหล็ก มีความหิวเข้ามาเผาร่างกายและจิตใจอีกวิ่งเข้าไปหาก้อนเนื้อคขึ้นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เกินจริงเข้าไปตามนั้นท่านบอกว่าสเสวยทุกขเวทนาอย่างนี้อยู่ตลอดกาลจนกว่าจะพ้นกฎของกรรมกฎคงกรรมในขุมนี้พระพุทธเจ้าพรได้ทรงตรัสว่ามีอายุเท่าไหร่ นี่แปนว่าการเรี่อยรนี่ที่เรียอยมาแล้วไม่ได้ทำตามผลนั้นกลับนำไปใช้เป็นส่วนตัวก็จะต้องไปตกนรกขุมใหญ่ก่อนแล้วพันเบอร์ น, นรกบริวานสี่ขุมโดยเฉพาะกรรมอย่างนี้มาตกนรกขุมนี้ตามทํานบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าการที่เขาทั้งหลาย เป็นสัตว์นรกต้องมาตกนรกคุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีเจตนาหน า, นานแน่นปฏิความโลกแสดงตนว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลเที่ยวเป่าร้องเรียรายเอาทรัพย์ของชาว บ, บ้านเขามาแล้วก็บอกว่าจะทำบุญทำกุศลจะสร้างในสิ่งในสาธารณประโยชน์ หมายความว่าการกระทำลงไปนั้นไม่ทำบิกริตส่วนตัวทางนี้ก็ไม่หมายความว่าท่านอันหลายที่จะโกนจุกลูกแต่งงานลูกบวชนาาลูกได้แท้จริงและก็แจกกาจรดีกาอันนั้นหมายถึงว่าเป็นการบอกบุญมาร่วมบุญต้องกุศลกันยังไม่จัดเข้าู่ในการเรียร์รายในประเภทนี้ สำหรั บ, บการนีอะไรในประเภทนี้หมายความว่าทําในส่วนที่เป็นสาธารณกุศลเพื่อบอกกับประชาชนบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มนันนี่จะไปสร้างวัดบ้างสร้างถน น, นบ้างสร้างโรงเรียนบ้างขุดบอ่อน้ำเป็นสาธารณะบ้างอะไรเปน็นต้นจัดว่าเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณะแต่ถ้าจัดเป็นประเภทนี้ก็ปรากฏว่ามีสภาพบาปเหมือนของสง บาปเหมือนกับคดโกงของสงฆ์อย่างนี้ต้องตกอเวจีมาหานรกก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะตกนรกบริวารและจริงจะมาตกนรกที่เรีย ก, กว่าอายคุละนรกขุมนีตาเมื่อบารีที้กล่าวต่อไปว่าคั้นได้รับทรัพย์มาแล้วก็บอกเขาบอกว่าจะไปสร้างในส่วนที่เป็นอุศนสาธารณประโยชน์ ก็ได้รับทรัพย์มาแล้วก็ยักยอกใช้สอยตามความสะดวกตามความสบายของตนไม่บำเพ็ญกุศลทั้งหมดหรือว่าแบ่งไว้บ้างเป็นส่วนตัวการกุศลทําบ้างแต่ว่าทําไม่หมดทำไมอย่างนั้นอ้างว่าบางทีก็ไม่ท่านบอกว่าบางทีก็ไม่ทําเลยเป็นการหลอกลวงคนอื่นได้เล่กล ไม่ว่าตนเป็นคนฉลาดจึงต้องพราดท่าเสียทีมาตกมารกขุมนี้กินก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็มีความร้อนบริไฟให้ความคิดว่าเหล็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโภชนาหารเริ่ม่ายความหิวเผาผลานให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็ขอบรรดาเพื่อนพิสุทธ์สมนเณน และบรรดาท่านพุทถบริสัตทุกท่านสําหรับปีศุกร์สมัณฑนิที่ผมเคยบอกว่าอย่าไปได้ไร้ญยยาติโยมเลยดูว่าแต่ว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเห็นให้เราสงเคราะห์ท่านก็มีความเมตตาแต่ว่าเราทําไม่ดีไม่ชอบท่านปล่อยให้เราอดก็สนแสดงว่าเรามันเร็วเกินไปจะนั่นขอท่านอันไร สำหรับเป็นพระเป็นเลนมีความสำคัญมากต่อไปถ้ามังเอิญท่านทังหลายยังไม่สึกไม่หาก็จะต้องมีจิตในการสร้างวัดสร้างว่าทำงานในส่วนสนาธารณประโยชน์เรืว่าท่านลาสิกขาบทไปแล้วบางทีคนเขาทั้งหลายก็เห็นว่าท่านเป็นคนตั้งเคยตั้งอยู่ในศีลในธรรม เมื่อบวชกันมาแล้วก็จะมาเจริญสมถกรรมฐานมีปรัสนากรรมฐานหรือว่าศึกษาพระปริยัติธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขา อ, อาจจะไว้วางใจพุกท่านเมื่อไว้วางใจท่านแล้วก็หมอบหมายจะตุปภัยและภาระสิ่งของมาถวายเป็นของสงฆ์หรืของส่วนกลาง แรียขอท่านหลายโยตั้งใจไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้นําในการบำเพ็ญกุศลเท่านั้นสําหรับผู้นําในการบำเพ็ญกุศลท่านเรียกว่าวยาวัาจกรนวยาวาจไหมเป็นผู้กระทากิจของสงฆ์หรืขอขณ์ขวายในกิจการงานของสงฆ์แต่ความจริงการทําอย่างนี้ เพียงมากว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่ปัญญาที่จะบอกชาวบ้านหรือว่ามีแต่แรางงานแรางงานที่แนะนำให้เขาปฏิบัติในความดีความจริงผลในการที่เป็นวิยาวยากร น, นี้มีผลมากในมีมาร ว, วัตถุทั้งกล่าวว่ามีอนิสง ต, ต่ำกว่าการบทเมินที่มีศีลบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยัดว่าเป็นอันนี้สงแรงมีอันนี้สงมากถ้าหากว่าบอกเขาด้วยแล้วก็ทำเองด้วยก็ช่วยมีความสุขยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีมาในพระธรรมบทขุทกันนขุกนิกายวันนี้กำลังเหนื่อยมาแล้วก็รังเป็นหวัดเสียด้วยถ้าฟังไม่ชันแล้วก็ขออภัยด้วย เป็งกล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสามาสพุทธเจ้าเคยแทศนเไยบอกว่าบุคคลผู้ใดบำเพ็ญกุศลได้ตนเองแต่ถ้าว่าไม่ชักชวนคนอื่นคนประเภทนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นคนร่ำรวยไม่ยากจนเขินใจ มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าขาดพวกพ้องคือขาดบริวารและสมบัติแต่บุคคลผูดด้ใดได้แต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทําบุญทํากุศลตนเองไม่ทําตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นคนที่มีพวกพ้องมากมีบริวารมากแต่ว่าขาดทรัพย์สมบัติ บุคคลผู้ใดบริจาคทานบริจาคทานเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยคนประเภทนี้จยตายจากความเป็นมนุษย์ต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมีทั้งทรัพย์สมบัติและจะมีทั้งพวกค้องเกื้อบริวารในสมบัติแต่ท่านผู้ใดไม่บำบริจาคทานด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยท่านผู้นั้น ตายไปแล้วเกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนยากจนด้วยแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินไม่ไม่มีพวกคลองด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าวว่าถ้าธรรมเทศนายข้อ น, นี้สมเด็ดพจพระจินนสีสุพรรณนามว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วสมเด็จพรจอมไตรบรมาศาสนาก็ทรงรับรอง จากนั้นข้ามรดาท่านบิณฑษุสมณีนทั้งหลายและบันดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องราวของนรกแล้วก็ปโปรดทราบผลข้อการบำเพ็ญกุศลในการบริจาคทานด้วยตนเองแล้วการชัญชวนบุคคลอื่นให้บริจาคทานการเชิญชวนในที่นี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียรายเขาเป็น เ, เพีย ง, งแนะนําว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ เมื่อเราทำก็แล้วก็จะเป็นส่วนให้ยังความสุขให้เกิดในส่วนสนาธารณประโยชน์เป็นการแนะนำกันหรือว่าจะใช้คำว่าเรียรายก็ได้เหมือนกัน <c oughs> เรียรายก็ได้การบอกบุญการแนะนำให้ทำบุญทงกุศลเมื่อเขาทำบุญทงกุศลมันแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกชิ้นก็นามาในส่วนสนาธารณประโยชน์ ตามที่ประกาศไวอริสม์ก็จะได้ตามที่กล่าวมาซึ่งมีคติตรงกันข้ามกับท่านที่ได้ไรามาแล้วแต่ไม่ทําแล้วก็มีโทษตามธรรมบาลีตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปสําหรับโยมาโลภยานรกไม่มีสิทขุมแต่ได้ขุมจําแนกบาตแต่และอย่างไม่เหมือนนรกขุมใหญ่นรกขุมใหญ่ได้หมายความรวมบาต ท, ทุกอย่าง แล้วก็ตกตนนรกขุมนั้นๆตามมันนาจของกรรมซึ่งมีกรรมหนักกรรมเบาไม่เสมอกันตามที่เคยอธิบายมาแล้วสำหรับนรกต่อไปเป็นขุมที่หกมีชื่อว่าปัสกะปัพพตะนรกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าเป็นโทษของข้าราชการโกนี่ท่านจำกัด สำหรับนรกคุมแรกถ้าไมา่จำกัดว่าจะเป็นค้าราการหรือไม่ใช่ขา้าราชการแต่ว่านารกคุมนี้ถึงกล่าวว่าเป็นคุมที่ทําโทษบุคคลที่เป็นขา้าราชการแต่โกงเงินของแผ่นดินก็ได้การโกงเงินของประชาชนมีนามว่าปัสกปะปัปปตะนรกที่ก็บอกแล้วว่าเป็นานารกภูเขา เนื่องความตามพ่าบาลีมีอยู่ว่าย ม, มโลกยัญนนรกขุมที่หกมีชื่อว่า ป, ะสะะปัสกาปัพพตะนรกในนรกขุมนี้มีภูเขานรกใหญ่ตั้งอยู่ในสี่ทิศเป็นภูเขาที่เคลื่อนที่ได้ไม่หยุดไม่หย่อนหมายความว่ากลิ่งไปกลิ่งมาอยู่เสมอพยายามกลิ่งบทสัตว์นรกทั้งหลาย ที่มาเกิดในที่นี้ให้เป็นกระดูกแต่เกละเอียดเป็นจุนไม่จุนไปแต่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่ตกมันรกรุมนี้จะถือว่าตายก็ไม่มีอีกเหมือนกันไม่ตายคําว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีในนรกแต่ถ้าว่าบาังเอิญท่านจะไปอ่านพบในที่ใดเข้านั่นก็หมายความว่าท่านผู้เขียนคนจะเขียนมากพลาดไปเพราะว่าบาลีไม่มี คำว่าตายในนรกคำว่าตายต็อหมายถึงว่าไม่รู้สึกในทุกขเวทนาที่ ท, ที่ลงโทษอันนี้ไม่มีในนรกเจงกว่าจะสิ้กนกาหนดของกรรมดานบมาลีต่อก่าโดยว่าทดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาทรมานทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเคยเป็นนายบ้าน คำว่านายบ้านก็หมายถึงว่ากำนันบ้างผู้ใหญ่บ้า น, บ, านบ้างเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นนายอำเภอเป็นเจ้าเมืองแต่ว่าประพฤติตนเป็นคนผานรวมความว่าเป็นข้ารชการที่พระราชาไว้บางิประเทศไทยใช้งานตามท่นเนตรเพื่อกันท่านบอกว่าเกิดมีความประพฤติเป็นผานคำว่ า, าผานเขาประมงโง กดขีคขมเหงและเสือนดอนเริมหน่ายของตนในฐานะที่เป็นขา้าราชการนี่อย่างหนึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะการเบียเดเบียนของตนท่านบอกว่าเช่นบังคับจะเอาทรัพย์สินเขาบ้างแกล่งจับข้อไปลงโทษเขาบ้างแล้วก็ปรับไหนหการปราบนิติ บางทีทางกฎหมายตามกฎหมายบอกปรับน้อยปรับมากเกินไปบ้างทางกฎหมายไม่ได้บอกให้ปรับก็ปรับเสียบ้างแช่มนัดหน้าที่ในทางทุจริตไม่มีความกรุณาเมตตากรุณาแต่อคนทั้งหลายตั้งกล่าวว่าเมื่อตายลงไปแล้วก็ต้องมาเกิดตานรกขุมนี้ต้องถูกพกเขาเหล็กที่ลุกจนแดงโชนด้วยกําลังของไฟเขาก็ใหญ่แล้วยังไม่พอ มันเป็นภูเขาเน็กในโลกเนสุบ ข, ขุมมันมีไฟทั้งหมดเผางยนแดงโชนทำลายร่างกายให้ให้ละเอียดไปท่านกล่าวว่าไม่ตายแต่ว่าในที่บางแห่งบอกว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี่ไม่จริงคำว่าสัตว์นรกย่อมไม่มีการตายจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอันนี้ไม่มีเวลาเหมือนกันท่านบอกว่าจึงกว่าจะหมด อำนาจของกรรมนี่ความจริงนี่ไปตรงนรกขมใหญ่มาแล้วนะแล้วก็ผ่านนรกบริวารนสีข่ขมมาแล้วต่อไปเป็นนรกขมกที่เจ็ดคิอว่าทุษานารกโอ้หนารกขมนี่นาเดวเป็นนรกที่ประกอบด้วยการพุจริตคิดคดโกง กุมที่ห้าเป็นนรกที่เกี่ยวกับการเรียร์ไในเรื่องสาธารณประโยชน์กลุ่มที่หกเป็นนรกที่เกี่ยวกับคั้การทุจริตหรือว่าคั้การแชาจหน้าที่ในทางทุจริตเบียดเบียนทรัพย์ของชาวบ้านหรือว่าแช่งหนาจกดขี่ก่มเหงสําหรับนรกกุมที่เจ็ด เป็นเรื่องของการคิดพุชจริ์คิดโกงคงไม่ํำกัดว่าเป็นคดีการฟังของท่านต่อไปใต็นกลาวายมมโรเกยียมนรกคุมที่เจ็ดมีชื่อว่ายุสาน ร, รกทุสานะขอโทษทุสาน ร, รกสติเกิดในนรกคุมนี้มาวมแต่มีความหิวกระหายเพาอยากน้าให้ทุสาน มีความหิวกระหายน้ำเป็นกำลังวิ่งวุ่นกระเสือกกระสนไปทั่วบริเวณของนรกอยากจะกินน้ำกันเมื่อปรากฏว่ามีสะเห็นสระที่เต็มไปด้วน้ำสะอาดใสท่านบอกว่าเย็นแด้ผมไม่กล้าอ่านว่าย็นเห็นน้ำก็จะรู้ว่าเย็นได้ยังไง เห็นน้ำใสมีความสะอาดสัตว์ทั้งหลายแล้วนั้นมีความกระหายก็พาการวิ่งกระเวหาในรบกุมนั้นสัตว์นรกทั้งหลายแล้วนั้นก็ต่างคนต่างดีใจวิ่งเข้าไปหมายจะกินน้ําให้ชื่นใจระวหวังที่จโดดไม่อาบน้ําให้ชื่นใจครั้นว่าถึงริมแม่น้ำแล้วก็กระโดดลงไปเพื่อจะอาบจะกินให้มีความสุข แต่พอได้กินได้ดื่มเข้าไปเดิ่มน่ายของกรรมบรรดาลพอน้ำนั้นตกไปถึงทองก็กลายเป็นแกลบเป็นข้าวสาลีเป็นแกลบที่เป็นไฟลุกโชนไม่ตัวไม่ไสพุงไม่ตัดาตไส้ปอดไม่อ ว, วัยวะภายในเพราะบรรดาสัด์ทั้งหลายเหล่านั้นทำให้อ ว, วัยวะภายในหลังแล้วมาทางทวาร เบื้องล่างบ้างเบื้องบนบ้างเจ็บปวดทุกทรายทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่ตายไม่ตายนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะไม่ตายในะเจ็บอย่างสาหัสทั้งเจ็บทั้งร้อนตงกล่าวว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกข์กระโทษในโลกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนการมาเป็นมนุษย์เขาทั้งหลายด้วยคนคดเป็นคนโกงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นแม่ค้าที่ลบไปด้วยเจตนาแห่งการในหนักหนักแน่นในดวงจิตเอาของชั่วมาปนของดีเอาของแท้มาปนของเทียมแล้วก็หลอกขายผู้อื่นได้มาทรัพย์โดยได้ทรัพย์มาโดยม่ชอบเป็นตน้นนี่ผมอ่านตามมารีนะถ้าไม่อ่านตามมารีก็กลัวจะยุ่ง ให้แต่การทำลายขันก็ต้องมาตกนรกขุมนี้จึงกว่าจะสิ้นกรรมอย่าลืมนะว่านรกขุมนี้ก่อนที่จะมาต้องไปตกนรกขุมใหญ่และนรกบริวารก่อนนี่ระเวลาสีนาทีเขาว่าอีกขุมหนึ่งนรกขุมที่แปดมีนามว่าสีตะโลสีตะนรกท่านบอกว่าเป็นนรกที่ขาดเมตตาปราณีในเวลา น, น้อยทกขอรีบอ่านบาลี กล่าวว่ายมมโลกินะยมมโลกิยในะรกขุมที่แปดมีชื่อว่าศีตะโลสิตะในโลกในนรกุมนี้มีน้ำเยือกเย็นยิ่งกว่าความเย็นทั้งหลายเมาาื่อสัตว์ในรลกทั้งหลายตกลงไปก็ต้องตายด้วยความเย็นแต่ความจริงเพราะว่าไม่ตายต้องถูกทรมานด้วยความเย็นอย่างหนักด้วยไม้ของอขอุศสนกรรม ก็ทําให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกท่านบอกว่าตายแล้วก็ฟื้นนะผมบอกผมคิดว่าไม่ตายไม่คันพระบาลีแต่ว่ามีความเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าตามตามธรรมดาสัตว์นรกตายไม่มีแล้วก็พากันคลานขึ้นมาข้างบนเมื่อพ้นจากความเย็นมันจับใจนั้นแล้วนายในนิจบานทั้งหลายก็พากันจับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นโยนลงไปในน้าดังกล่า ตกลงไปก็ถูกเผาความเย็นเผาขลานมันทั้งเก็บทั้งแสบทั้งเงยน็นเพราะเป็นน้ำกรดได้รับ ท, ทุกทุกทรมานอย่างหนักซ้ำซ้ำซำากซกแบบนี้จึงกว่าจะสิ้งกดของกรรมแต่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกขเวทนาในรกคุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเมื่อครั้งนี้เขายังเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจไม่บริสุทธ เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาในชั้นดานเป็นคนใจพานประกอบด้วยอกุศลกรรมเช่นจับสัตว์เป็นๆโยนลงไปในบอ่อบ้างจับสัตว์เป็นๆโยนลงไปในเหวบ้างโยนลงไปในสระน้าบ้างได้จับมัดสัตว์ทิ้งน้ําให้จมน้ําตายบ้างทําเพื่อมนุษย์ทั้งหลาย ตวเขาบอกว่าทําเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้รับครับก็จรับความทุกข์คือแกล้งแกล้งบรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีความทุกข์ตายเพราะการกระทําดังนี้เป็นต้นนี่พรามว่าตามบาลีเลยนะเป็นนั้นว่าสัตว์นรกขุมนี้เขากล่าวโดยย่อเพราะตามบาลีรู้สึกฟังขัดขัดเป็นคนที่ปลาอยความปราศจากความเมตตาปราณีในบุคคลอื่นในสัตว์อื่น กลายแกล้งคนที่ก็ทําความดีให้มีทุกบ้างฆ่าสัตว์ชีวิตคือแกล้งสัตว์จับเป็นโยนในบอ่อลึกๆบ้างในเหวบ้างจับโยนลงไปในสระน้ำฉันได้สัตว์บกเนี่ยจับโยนในสระน้ำมันลำบากนีใช่คิดว่าปลาจับโยนไปในสระน้ำไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมัดมือมัดเท้าสัตว์ท่างหลายแล้วก็โยนทิ้งไปในน้ําบ้างให้จมน้ําตาย เมื่อไปเกิดในนรกคุ้มใหญ่ที่รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสผ่านนารกบริวารในสี่ขุมแล้วก็มาเกิดในนรกคุมนี้นี่เป็นอันว่านารกทุกขุมบรรดาท่านห้งหลายจะเป็นนรกคุ้มใหญ่และนรกคุมเล็กก็ตามเมื่อประสบกรรมเข้าแล้วมันมีทุกขเวทนาอย่างสาหัสจึงขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนบิณฑุสมนเณรทั้งหลาย จงสังวรระวังไว้ว่าจงอย่าทำอะไรให้เป็นเหตุผลิสัยคือปราศจากความไม่ตาปราณีเ <c oughs> อแลวต่อจานี้ไปเปอขอท่านไหลได้โปรดทราบว่าเวลามันหมดแล้วเมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอบรรดาท่านไหลยรับฟังการเจริญพระกรรมฐาน ต่อต้นนี้ไปขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบันดาที่สุดสมเนเณรทุกโอกได้โปรดตั้งใจเตรียมตัวสมาทานและกรรมฐานต่อไป